อานามสยามยุทธว่าด้วยกองทัพยสยามกรุงเทพได้ยกพลนิกายไปกระทําการศึกสงครามกันกัดลาวภุงขาวชาวเมืองเวียนจันเป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันกัดขมิญยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทํามหายุทธนาการในรัชการที่สาลกรุงเทพเมื่อจุลศักราชหนึ่ปดสปีจออาศรก ดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานาณ์สยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่สี่ทัพกรุงเทพเปิดศึกทัพปลาเวียงจังฝ่ายเจ้าพระยานครราชสีมาเมื่อห น, นีออกจากเมืองกูขันนั้นไปตั้งอยู่ในกลางป่าครั้นรู้ว่า บ้านเมืองของตนเสียแก่เจ้าอนุแล้วคิดจะยกกองทัพมาสู้รบกับลาวบ้างก็ไม่ได้เพราะในกองทัพของตนรู้ว่าบ้านเมืองแตกเสียแก่ลาวแล้วไพรพลในกองหนีตามหาครอบครัวมากนักเหลืออยู่แต่คนที่สนิทติดตามตนอยู่ประมาณ200สองเศษน้อยตัวนักจะคิดมาต่อสู้กับลาวก็ไม่ได้ยึงคิดหนีเลยต่อไปถึงแดนขมรพักพลอยู่ที่ตำบลสวายจีบ พอจะได้อาศัยสเสบียงอาหารตามพวกเขเมิป่าด่งบ้างขันเจ้าพระยานครราชสีมาพักอยู่ที่สวายจีนั้นได้ทราบข่าวว่าเจ้าอนุยกทับไปจากเมืองนครราชสีมาแล้วบัดนี้กองทัพกรุงเทพยกมามากมายเข้าตั้งอยู่ในเมืองนครราชสีมาขันจะนั่งอยู่ที่นี่เห็นจะไม่ผลความผิดจำจะต้องไปหากองทัพกรุงเทพที่บ้านเมืองเราจึงจะชอบด้วยราชการ เจ้าพระยานครราชสีมาจึงยกพลทหารสองอยเศษเรีบเร่งเดินบกทั้งกลางวันกลางคืนถึงเมืองนครราชสีมาเข้าเฝ้ากมพระราชวังบวรมีพระราชบรรทูนดำรัสว่าเรามาตีเมืองโครากกว่าต้อนครอบครัวไปมากมันเผาบ้านเมืองโครากเสียยับเยินผลปีผู้คนก็หนีเข้าป่าดงไปมากมายบ้านเมืองระสำไรดังนี้ ให้เจ้าพระยาคนครราชสีมาอยู่รักษาบ้านเมืองเกลือกล่อมราษดรพนลเมืองที่แตกฉานสร้างเส้นไปอยู่ในป่าดงนั้นให้มาอยู่ตามภูมิลำเนาเดิมและจะได้จัด ก, การตกแต่งบ้านเมืองให้บริบูรณ์ขึ้นดังเก่าเถิดอย่าตามไปในกองทัพเราเลยเจ้าพระยาคนครราชสีมาได้ทราบพระราชกระแสกรมพระราชวังบวรไม่กลิ้วกระถามีโทษไม่แล้ว ก็ไปจัดการตามพระราชกระแสรับสั่งนั้นครั้นนั้นกรมพระราชวังบวรมีพระราชบัญฑูนดำรับสั่งให้พระยาราชสุภาวดีสิงห์เป็นแม่ทัพฝ่ายทางตะวันออกคุมพลทหารแปพันนี้เกณฑ์ที่เมืองลาวด้วยให้ยกไปตีเจ้าราชบุตรเมืองจำตาสักฝ่ายพระยาราชสุภาวดีกราบถวายบังคมลายกกองทัพจะเดินไปทางเมืองสุวรรณภูมิ ด้วยเมืองนั้นบริบูรณ์ด้วยเสเบียงอาหารพอจะพักกองทัพใหญ่ได้ครั้นเดินทัพออกจากเมืองนครราชสีมาตัดทางไปทางเมืองพหมายพบกองทัพเจ้าถงหลานเจ้าอนุตั้งค่ายรับอยู่ที่ตำบลสะแก้วไกลห่างจากเมืองพหมายทางสองวันกองม้าเจ้าขุนแผลงสถานขวบกลับมาแจ้งความว่าได้เห็นค่ายเหล่าตั้งในป่าริมชายทุ่งสองค่าย พระยาราชาสุภาวดีทราบข่าวศึกดังนั้นแล้วจึงสั่งให้นายทัพนายกองประเตรียมการยกเข้าระดมตีไข่เจ้าสงสามชั่วโมงสิ่นแตกลาวตายบ้างหนีไปได้บ้างใ่าจับได้บ้างพระยาราชาสุภาวดีจึงได้ยกกองทัพจากเขตแดนเมืองพิมายต่อไปก็หยุดพักพลตั้งค่ายที่เมืองขอนแก่นสองวันจึงมีหนังสือฉบับหนึ่งใช้ให้ลาวที่เมืองขอนแก่น ขึ้นมาเร็วรีไปให้เจ้าอุปราชเวียงจันท์ที่พักพนอยู่เมืองยะโสธรในหนังสือนั้นใจความว่าเมื่อเจ้าอุปราชลงไปกรุงเทพนั้นเจ้าอุปราชได้พูดไว้ก่อนว่าเจ้าอนุจะเป็นกบฏต่อกรุงเทพตคราวหนึ่งการนั้นสมจริงดุดดังถ้อยคำเจ้าอุปราชแล้วครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีรับสั่งให้เรา ยกทัพมาปราบปรามเจ้าอนุซึ่งเป็นเสื้นหนามแผ่นดินดุดดังเจ้าอุปราชว่าครั้งนี้สมคเนแล้วให้เจ้าอุปราชกลับไปตีเมืองเวียงจันทร์ให้ได้เราก็จะยกทัพหนุนเจ้าอุปราชไปด้วยจะได้ช่วยกันตีเวียงจันทร์ให้แตกโดยเร็วทัพหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยสะดวกความดีความชอบก็จะตกอยู่แก่เจ้าอุปราชมากมายฝ่ายเดียว จะได้เป็นบำเหน็จมือมีชื่อเสียงไว้ชั่วฟ้าดินเมื่อเจ้าอุปราชจะว่าประการใดขอให้มีหนังสือตอบมาให้เราทราบราชการโดยเร็วเถิดรันเจ้าอุปราชได้รับหนังสือแล้วฉีกผนึกออกอ่านดูแจ้งข้อความทุกประการแล้วจึงหัวเราะกลับพับหนังสือเข้าผนึกใหม่ตั้งให้ม้าเร็วในกองทัพนั้นรีบไปส่งข่าวให้เจ้าอนุที่ค่ายตำบลเขาวสาร เจ้าอุปราชไม่ได้มีหนังสือตอบมาเป็นแต่ว่ามากับพูดถึงสื่อว่ากลับไปเถิดเรารู้แล้วฝ่ายเจ้าอนุแจ้งความในหนังสือพระยาราชาสุภาวดีที่เจ้าอุปราชส่งขึ้นไปนั้นก็มีความหวาดหวั่นสงสัยนายทัพนกองของตัวเองว่าชรอยจะมีไส้ศึกอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่แจ้ง ฝ่ายพระยาราชาสุภวดีต้องคอยรับหนังสือตอบของเจ้าอุปราชอยู่ช้านานไม่เห็นตอบมาจึงได้ใช้ให้คนไปสืบดูอีกได้ข่าวว่าเจ้าอุปราชยกเลิกไปจากเมืองยะโสธรแล้วไปตั้งอยู่ที่เมืองหนองหานไม่ทราบการว่าจะไปข้างไหนฝ่ายพระยาราชาสุภวดียกทัพไปตีไข่เมืองเวียงคุกเวลาเดียวก็แตกหมดแล้วยกไปตีข่เมืองยโสธรอุปหัดราชวงศ์ เมืองยะโสธรต่อสู้แข็งแรงแต่สู้รบกันอยู่สองวันท่ายที่ยะโสธรก็แตกสิ้นทหารไทยจับได้ครอบครัวอุปห้าราชวงศ์ที่ลงใจเข้าร่วมเจ้าอนุนั้นจับครอบครัวมาได้หนึ่งคนพระยาราชสุภวดีสั่งให้นําครั ว, วเร้าเฉลยขบฏนั้นไปคลอกไปตายสิ้นหมดทั้งร้อยหกสิคนฝ่ายกรมพระราชวังบวรมีพระราชบัญฑุดำรัสสั่งเจ้าพระยาแสนยากรหนึ่ง พระยากะลาห่มหนึ่งพระยานารานุกิจมนตรีหนึ่งพระยานารงวิชัยหนึ่งเจ้าพระยามหาโยธาหนึ่งทั้งห้าทัพรวมริพน8ปด0ันสี่ร้อยคนพร้อมด้วยช้างมาเป็นพาหนะและกระสุนดินดำเสร็จได้ยกล่วงหน้าขึ้นไปทางตำบล บ, บ้านสามหมอให้ช่วยกันระดมเข้าตีค่ายลา่าซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวลาพูนั้นก่อนแล้วโปรดให้พระองค์เจ้าขุนเนนขุมกองทัพพม่าถวาย นักโทษที่โปรดให้ไปจากคุกนั้น460คนเป็นกองโจรยกขึ้นไปช่วยทัพเหล่านั้นเข้าตีค่ายลาวที่หนองบัวลำปูด้วยครั้นวันเสาร์เดือนหกขึ้นสิบค่ำหลวงพระราชวังบวรแม่ทัพหลวงสเสด็จพระราชดําเนินยกจากเมืองอนครราชสีมาขึ้นไปตั้งค่ายหลวงพับพลอยู่ที่ตําบล น, น้ำเซินที่ค่ายเก่าเจ้าอนุวงศ์ตั้งแต่ก่อนนั้นแต่แม่ทัพหน้าทั้งห้า เซึ่งยกล่วงหน้าขึ้นไปก่อนได้ยกเข้าตีค่ายลาวที่หนองบัวลําพูแต่ณวันอังคารเดือนหกขึ้นหกค่าฝ่ายพระยานารินแม่ทัพลาวที่หนองบัวลําพูนั้นได้ต่อรบกับทัพไทยเป็นสามารถลาวไทยได้สู้รบกันสามวันสามคืนแม่ทัพไทยทั้งห้ากองก็ระดมยกเข้าตีค่ายลาวที่หนองบัวลําพูแตกทั้งสิน้นแต่ณวันศุกร์เดือนหกขึ้นเก้าค่า ก่อนหน้าวันที่ทับหลวงเสด็จขึ้นมานั้นวันหนึ่งรุ่งขึ้นณวันจันเดือนหขึ้นสิบสองค่ำแม่ทัพไทยก็จับพระยานรินแม่ทัพลาวได้จับสงบส่งลงมาทูลถวายยังทับหลวงรับสั่งให้หลวงโยธาบริรักษ์ขุมตัวพระยานรินเข้าไปขังในค่ายหลวงขณะนั้นกรมพระราชวังบวรมีพระราชบัญฑุรับสั่งให้ พระยานคราถามพระยานรินว่าตัวเป็นแม่ทัพราล่าฝีมือกล้าหาญน้อมใจองอาจสมควรเป็นแม่ทัพเอกได้แต่ว่าเสียค้ายแก่ไทยครั้งนี้ก็เพราะทัก้วทหารไม่ตั้งอยู่ในความสามัคคีพร้อมเพรียงกันจึงรักษาข้ายของตัวไว้ไม่ได้บัดนี้ท่านก็ปราชัยแล้วถ้าจะสวามิภักดิ์ต่อใต้ฝ่ารองทุรีพระบาทต่อไปอีก ก็จะทรงพระมหาการุณาชุบกล้าวชุบกะมมระหม่อมปลูกเลี้ยงพระญานรินต่อไปพระญานรินต์ตอบว่าไม่ยอมอยู่เป็นมนุษย์ขอให้ข้าเป็นผีเสียดีกว่าอยู่เป็นคนพระญานคราก็นําคําพระญานรินต์ขึ้นกราบบังคมทูลกรมพระราชวังมีพระราชบุญทูลดําลัดว่า มันไม่ยอมอยู่ก็ให้พระคชะพักดีนําช้างคลายแทงมันเสียให้ตายในวันนี้เถิดทับหน้าเข้าตีค่ายลาวในครั้งนั้นเสียพระยาเกียรตินายทัพรามันตายหนึ่งคนหลวงพักดีนรักษ์หนึ่งหลวงพิพิธสมบัติหนึ่งหลวงรามันพิทักษ์หนึ่งสมิงปราบอังวะหนึ่งสมิงราชเทวะหนึ่งสมิงนาราจรสุระหนึ่ง แต่คุณหมื่นพันทนายไพ่สมกำลังจะตายเท่าไรหาแจ้งไม่เพราะไม่ได้รับรายงานเมื่อเวลารบ ก, กันนั้นมาตรวจทานดูจึงไม่รู้แน่นอนได้ครั้นแม่ทัพนายกองฝ่ายไทยตีค่ายลาวที่หนองบูรนพูแตกหมดแล้วจึงเดินทัพขึ้นไปหมายจะยกเข้าตีค่ายลาวที่ทุ่งส้มปล่อยห่างกับค่ายเขาสารประมาณร้อยห้าสิบเส้นเศษขณะนั้นรมพระราชวังบวร มีพระราชบันทูนรับสั่งให้กรมหมื่นนเรศโยธีหนึ่งกรมหมื่นเสนีบริรักษ์หนึ่งสองพระองค์นี้เป็นแม่ทัพหลวงกองหน้าคุมพลทหารสามพันคนโปรดให้พระยาสนีหาภูทรกับพระยาวิสุทธโกษาคุมพลทหารพันหนึ่งเป็นแม่ทัพหน้าของกรมหมื่นทั้งสองยกขึ้นไปตีค่ายลาวที่ค่ายส้มป่อยโปรดก้าวให้พระองค์เจ้าขุนเนน คงคุ้มพลพม่าถวายเป็นแม่ทัพนายกองโจรอย่างเดิมแต่โปรดให้พระนรงสงครามจางวางสวยทองเมืองนครราชสีมาคุมกรมการและพลทหารเมืองนครราชสีมาห้าร้อยเข้าสมทบกับทัพพม่าถวายด้วยรวมเป็นคนพันเศษเป็นกองโจรเดินก้าวสกัดเล็ดลอดไปตามชายป่าคอยตีกองลำเลียงลาวเวียงจันทร์ซึ่งจะยกลงมางส่งเสียงอาหารกัน ที่ค่ายส้มปล่อยอย่าให้ส่งถึงกันได้เลยเป็นอันขาดครั้นได้พระเลิกแล้วฝ่ายกรมหมื่นแม่ทัพหน้าทั้งสองพระองค์และพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายพร้อมกันกราบถวายบังคมลายกกองทัพร้อนแรมขึ้นไปใกล้ค่ายลาวซึ่งตั้งอยู่ณทุ่งส้มปล่อยครั้นกองทัพทั้งหลายถึงค่ายลาวพร้อมกันแล้วกรมหมื่นแม่ทัพทั้งสองพระองค์ ถึงมีรับสั่งให้กองทัพหน้าทั้งห้ากองซึ่งยกล่วงหน้าขึ้นมาก่อนให้ยกเข้าตั้งค่ายประคิดไว้หลายด้านและให้มีค่ายสีชุกรุกเผือกค่ายทุกถูค่ายปีหลันและทาบันไดาพาดดอกไม้เพลิงหกใพเนียงดวงพลุไว้จะได้พ้นค่ายพร้อมเสร็จฝ่ายเคียงขวากับหนอคำซึ่งเป็นแม่ทัพรักษาค่ายทุ่งส้มป่อยนั้นได้ทราบว่ากองทัพไทยยกขึ้นม า, มาก จึงให้พลทหารลาวยกออกจากค่ายเป็นกระบวนใหญ่ไปตีค่ายที่ประชิดไทยกับลาวได้สู้รบกันเป็นสามากพลลาวจะตีค่ายไทยก็ไม่ได้จึงลาถอยทับกลับเข้าค่ายแต่ไทยกับลาวรบกันอยู่หลายเวลาก็ไม่แพ้และชนะใจ ก, กันฝ่ายเจ้าหน่อมแม่ทัพใหญ่ที่ค่ายทุ่งส้มปล่อยจึงคิดกับเชียงขวาว่าจะต้องจัดทัพใหญ่ไปตีค่ายประชิดไทยให้แตกเสียโดยเร็ว กำลังศึกไทยจึงจะหย่อนลงแต่จะต้องจัดทัพเราแยกออกเป็นห้ากองจึงจะได้ชัยชนะแก่ไทยคิดแล้วดังนั้นก็จัดให้กองแก้วเป็นแม่กองคุมพลทหารสี่พั น, น 4, ให้กองคำเป็นแม่กองคุมพลทหารสี่พั น, น 4, รวมสองกองแปดพันให้ยกออกค่ายไปตีค่ายประคิดไทยให้แตกแต่ในสามเวลาให้พระยาแสนหารเป็นแม่ทัพคุมกองพลทหารชกันสี่พั น, น, น 4, คนให้พระยาน่านมือเหล็ก เป็นแม่กองคุมพลทหารสี่พันรวมสองกองนี้เป็นพลแปดพัน 8, ให้ยกไปเป็นกองอาธมาตซุ่มทัพอยู่ในป่าสองฝ่าทางให้คอยสกัดตีกองทัพไท่ที่จะยกมาช่วยกันอย่าให้มาถึงกันได้แล้วให้พระยาเสือหานเป็นแม่กองคุมพลทหารสองพันยกไปรักษาหนองน้าตามทางไว้อย่าให้กองทัพไทย ยกมาอาศัยน้ําที่ในหนองและบึงสะลําธารที่ใดได้เป็นอันขาดให้เท้ามหาวงศ์กับเท้าพรหมพักเป็นแม่กองคุมพลทหารพันหนึ่งให้ยกไปตัดต้นไม้สะทางที่ไทยจะมาให้ชาลุงตัดเท้าไม้เบื่อเ ม, อเมาไปไว้ในบึงบ่อห้วยหนองคลองบางตามทางกองทัพใหญ่ของไทยจะยกขึ้นมาคราวหลังอย่าให้อาศัยน้ําตามทางได้เลยกับให้เก็บเอาศพโครกระบือ และคนที่ตายบรรทุกเวียนบรรทุกต่างไปไว้ในบึงบ่หนองห้วยคลองทุกตำบลตลอดที่ทางไยจะขึ้นมาทางทุ่งส้มปล่อยนั้นจงทุกทางเป็นท่าทางกีดกันนั้นไว้ได้ด้วยอันหนึ่งใช้ให้พระยาชัยสงครามกับเพียสุวรรณและเท้าหมีซึ่งเป็นผู้ใหญ่คุมพลทหารสองพันรักษาค่ายทุ่งส้มปล่อยแต่เจ้าหน่คํากับเทียงขวา จะยกกองทัพใหญ่ออกไปตีค่ายประชิดไัยให้แตกเสียให้จงได้จะได้ตัดกำลังศึกไทยให้เบาบางหย่อนลงมากหากสู้ไม่ได้ครันได้เลิกแล้วเจ้านอคําขึ้นมาสีจันท์ผูกเบอาอ่านเครื่องทองคําพร้อมมือถือหอกใหญ่ยกออกจากค่ายใหญ่นําหน้าทหารตรงไปตีค่ายประชิดไทยฝ่ายกองทัพไทยนั้นพระยาเสนีหาภูธรและพระยาวิสูตรโกษาแม่ทัพหน้าทั้งสอง จึงยกผลทหารออกต้านทางต่อรบสัพปปยุทธ์ยิงแทงฝืนกันเป็นสามารถยังไม่แพ้ชนะกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยมีไพ่ผลน้อยกว่าลาวมากแต่อุตสา์รับรองป้องกันค่ายประชิดไว้ได้แต่เหลือกำลังที่จะต่อสู้กลางแปลงเพราะหรีผลน้อยหลัวจะเสียท่วงทีแก่ค่าศึกจึงล่าทัพถอยเข้าค่ายปีกกาปิดประตูค่ายรักษามั่นไว แต่ได้ยิงปืนใหญ่โตตอบกับลาวอยู่ในค่ายไม่หยุดหย่อนฝ่ายลาวเห็นได้ทีที่ทัพไทยหนีเข้าค่ายลาวจึงยกกองทัพไล่ติดตามเข้าไปใกล้ค่ายไทยลาวไล่พลทหารตั้งเป็นปีกาล้อมค่ายไทยไว้ทั้งสี่ด้านแต่พอพลทางปืนใหญ่ยิงไปไม่ถึงฝ่ายไทยยิงปืนใหญ่น้อยออกจากค่ายไม่ถึงค่าศึกลาวลาวเร่งจัดการขุดอุโมงดินบังปืนใหญ่ จะเข้าตีค่ายไทยที่ล้อมไว้ให้แตกจงได้ฝ่ายไทยในค่ายก็รักษาค่ายมั่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเป็นการจวนตัวไม่รู้ที่จะกระทำประการใดได้คั น, นั้นค่ายพระยาสนีหาภูทรพระยาวิสุทธโกษาเกือบจะแตกเสียแก่ข้าศึกลาวอยู่แล้วพอกมมื่นนเรศโยธีกรมมื่นเสนีบริรักษ์แม่ทัพใหญ่ได้ทราบข่าวที่กองม้าเร็วคอยเหตุมากราบทูล น, นั้นแล้วก็ทรงพระวิสุ เกรงเกรยียกว่าไทยจะทําการรักษาค่ายไว้ไม่ได้ก็จะเสียค่ายหน้าแก่ข้าศึกเหลา่าครั้นนี้เหมือนเสียค่ายหลวงด้วยเพราะค่ายหลวงตั้งอยู่ใกล้คิดค่ายหน้าเพราะฉะนั้นกรมหมื่นทั้งสองพระองค์จึงรีบเร่งยกกองทัพขึ้นไปโดยเร็วปรารถนาจะช่วยทับหน้าให้ทันท่วงทีที่ข้าศึกมาล้อมนั้นจึงไม่ทันได้ทรงระวังข้างทางที่เสด็จขึ้นไป แต่พอทัพกรมหมื่นทั้งสองพระองค์ถึงกลางทางในป่าดงตะเคียนฝ่ายกองทัพพระยาแสนหารกับพระยาน่านมือเหล็กแม่ทัพนายกองสุ่มของเหลา่าซึ่งคุมพลทหารแปดพันมาดักซุ่มอยู่ในทางปากตรงตะเคียนนั้นขันเห็นได้ทียกพลเข้าโจมตีกองทัพกรมหมื่นทั้งสองพระองค์กรมหมื่นทั้งสองพระองค์ได้ต่อสู้รบ ก, กับเหล่าที่กลางทางเป็นสามารถถึงตะลุมบอน ฟันแทงกันด้วยอาวุธสั้นทั้งสองฝ่ายจะยิงปืนใหญ่น้อยก็หาทันไม่เพราะเป็นเวลาจวนตัวแต่พลทหารไทยน้อยกว่าพลทหารลาวทหารลาวจึงได้ใสทัพช้างพลายยกเข้าล้อมกองทัพไทยไว้ได้โดยรอบพลทหารลาวใสช้างงาเข้าบุกบัน่นปันแทงพลทหารไทยล้มตายมากขณะนั้นลาวจะทําการอันตรายแก่กรมหมื่นทั้งสองพระองค์ไม่ได้เป็นแต่ล้อมไว้ที่กลางแปลง ร่มมื่นทั้งสองนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นลาวใสาช้างเข้ามาล้อมรอบพระองค์พระองค์ท่านจะได้ท่านคร้ามขามกลัวข่าศึกล่านั้นหามไม่ได้เลยทรงนั่งอยู่บนเก้าอี้หนังพับในที่ล้อมกลางแปลงข่าศึกตรัสว่าเกลียดแต่น้ําลายที่ปลายงวงช้างเท่านั้นขณะนั้นลาวสาช้างง่าเข้ามาล้อมจนใกล้จึงตรัสตาวาดให้ช้างถอยหลังออกไปห่างพระองค์ช้างข่าศึกนั้น ก็ถอยหลังออกไปห่างพระองค์ท่านตามรับสั่งแต่เราหาได้ยิงปืนไฟหน้าไม้มาไม่เลยจะเป็นด้วยเหตุอะไรหาทราบไม่เห็นจะเป็นด้วยพระองค์ท่านมีศิลปาคมอุดมพระเวทเห็นเป็นที่ประจักษ์มหัศจรรย์แกตามหาชนในกองทัพไทยลาวครั้งนั้นเป็นอันมากยิ่งนักฝ่ายพระองค์เจ้าขุนเนนซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองโจรยกกองทัพพม่าถวายไทยไปซุ่มคอยตีกองลำเลียงลาว อยู่ในป่าหลังค่ายทุ่งส้มปล่อยขณะนั้นผลรลาในค่ายทุ่งส้มปล่อยออกเที่ยวหาเผือกมันกินเจ็ดคนกองทัพไทยม้าเร็วขี่ม้าเข้าล้อมจับได้ทั้งเจดคนม้าถามได้ความว่าเจ้านอคำเป็นแม่ทัพใหญ่ภุมพลทหารแปดันร้อยยกไปตีกองทัพไทยและให้เท้าเพียขุมพลทหารพันหนึ่งอยู่รักษาไขา่ แล้วเจ้าหน่อมจัดการระวังรักษาทางป่าและหนองน้ำลำธานเป็นสามารถฝ่ายพระองค์เจ้าคุนเนีนได้ทราบดังนั้นก็ตกพระไทยเกรงว่าผลลาวมากนักจะยกไปตีไทยไทยมีผลน้อยจะเสียท่วงทีเก่ข่าศึกลาวพระองค์เจ้าคุนเนีนมีความวิตกนักจึงดําริหาอุบายที่จะไปช่วยแก้กองทัพไทยฝ่ายกองทัพหน้าที่ถูกหลอมนั้นจะทาเป็นประการใดดี แต่ทรงพระราชาดำริอยู่ช้านานจึงคิดขึ้นได้เป็นคลอุบายอย่างหนึ่งจึงเรียกรลาวเจ็ดคนที่จับมาได้นั้นเข้ามาตรัสว่ากูจับมึงทั้งเจ็ดคนนี้ได้โทษมึงถึงตายทั้งสิ้นแต่กูจะไม่ฆ่าจะยกโทษให้ผลความตายทั้งเจ็ดคนแต่จะยึดพวกมึงไว้หกคนก่อนแล้วจะให้พวกไทยแต่งตัวเหมือนเาลพรปอมหาบคอนแผนพวกมึงทั้งหกคน รวมเป็นเจดคนถังพวกมึงคนหนึ่งจะให้พวกมึงพาพวกไทยหกคนเข้าไปในค่ายลาวในเวลาวันนี้อย่าให้ลาวในค่ายรู้เหตุการณ์ได้ถ้าสำเร็จการประสงค์ของกูแล้วกูจะบุญบาเหน็จให้พวกมึงถึงขนาดกับความชอบของพวกมึงมึงจะรับอาสา ท, ทาการตามกูสั่งนี้ได้หรือไม่ได้ให้ว่ามาฝ่ายลาวเจ็ดคนต่างคนก็กราบลงแล้วทูลว่า ซึ่งท่านให้ชีวิตพวกข้าพระเจ้าทั้งเจ็ดคนไว้ครั้งนี้พระเดศพระคุณหาที่สุดที่แล้วไม่ได้พวกข้าพระเจ้าทั้งเจ็ดคนพร้อมใจกันจะขอรับอาสาปฏิบัติตามถ้อยคำท่านนั้นทุกประการพระองค์เจ้าคุณเนจึงตรัสสั่งพระนรงสงครามให้เป็นแม่กองอัตมาศทลวงปันขุมพลทหารห้าร้อยถืออาวุธสั้นและมีคบเพลิงสำหรับตัวทุกคนจะได้เผาไข้เหล ให้ยกไปซุ่มอยู่ตามชายป่าห่างค่ายลาวประมาณ40เซนหรือ50เซนต์พอควรแก่การให้ทันท่วงทีถ้าเห็นลาวพาไทย6คนเข้าไปในค่ายเผาค่ายลาวเจ้าหนูคําได้แล้วว่าให้พระนรง์สงครามยกกองทัพอัตมาศรีบเร่งต้อนพลหูร้องกระหน่าสำทับหนุนเนื่องเข้าไปหักค่ายให้พังลงแล้วไปเผาค่ายลาวให้ไม่สว่างขึ้นพลทหารลาวเจ้าหนูคําก็จะตกใจภวาผวังทั้งข้างหน้าข้างหลัง ก็จะถอยทัพล่าไปเองไทยที่อยู่ในที่หลอมก็จะออกได้แล้วจะได้เป็นทัพกระนาบด้วยพระองค์เจ้าขุนเนินจึงตรัสสั่งไทยหกคนที่แต่งกายเป็นลาวนั้นว่าถ้าเข้าไปในค่ายลาวได้ให้ไล่ฆ่าฟันลาวในค่ายคลุกคลีตีลาวไปอย่าให้ลาวทันตั้งตัวหาอาวุธไว้ให้นําคบเพลิงเผาค่ายลาวขึ้นด้วยฝ่ายพระเจ้องค์เจ้าขุนเนินคุมพลทหารอาถมรพห้าร้อยคน ถืออาวุธสั้นยาวครบทุกคนยกไปซุ่มแอบอยู่ตามชายป่าข้างที่ใต้หางค่ายลาวฆ่าศึกที่ทุ่งท้งปล่อยประมาณห้าสิบเส้นฝ่ายไทยหกคนกับลาวหนึ่งคนเป็นเจ็ดคนแต่งเป็นลาวหาบคอนพากันเดินไปถึงประตูค่ายเจ้าหน่อกำเป็นเวลาเย็นยวนจะค่ำเห็นนายประตูค่ายกำลังรับประทานอาหารอยู่จึงชักดาบออกฟันนายประตูตายพร้อมกันสี่คนแล้วจึงวิ่งเข้าค่ายได้ ก็ไล่ฟันลาวไปจนถึงกลางค่ายบ้างก็นําคบเพลิงเผาค่ายขึ้นเป็นหลายแห่งผลทหารลาวในค่ายจะจับไม่ถนัดเพราะแต่งกายเป็นลาวเหมือนกันต่างคนก็ต่างตกใจหารู้ว่าเหตุมาแต่ทางไหนไม่บ้างเข้าดับไปบ้างไล่ติดตามค้นหาผู้ร้ายภายในค่ายเป็นอุลรหมานฝ่ายพระองค์เจ้าขุนเนินและพระนรง์สงครามทั้งสองกองที่ซุ่มอยู่นั้นคั้นเห็นแสงเพลิงสว่างขึ้นที่ค่ายลาว ยึงยกพลทหารโห่ร้องเดินตามกันหนุนเนื่องเข้าไปตีค่ายลาวพร้อมกันพลทหารไทยพังค่ายเข้าไปในค่ายได้ไล่ฆ่าปันลาวตายเป็นกองกองช้างงาในค่ายลาวซึ่งตกน้ํามันอยู่นั้นขันเห็นแสงไฟสว่างก็ตกใจแตกปลอกออกไล่แทงผู้คนล้มตายแล้วแล่นเข้าป่าไปในค่าวันนั้นป่ายพระยาชัยสงครามเท้าส่วนเท้าหมีสามนายกลุ่มพลทหารพันหนึ่งอยู่รักษาค่ายที่ทุ่งสวนปล่อย เห็นเชิงศึกไทยยกกระชั้นสีเข้ามาในค่ายได้โดยเร็วดังนั้นก็ตกใจจะรวบรวมทหารให้เป็นหมวดเป็นกองออกต่อสู้ก็ไม่ได้ด้วยผลแตกตื่นตกใจมากจะกดไว้ไม่อยู่จึงปล่อยให้แตกแห่ค่ายหมีไปซ่อนกายในป่าทั้งนายพรายได้บ้างที่ตายก็มากที่เหลือตายก็มีฝ่ายพระองค์เจ้าคุนนินสีค่ายทุ่งสมปล่อยแตกแล้วได้ช้างพายพังระวังเพียวยี่สิบช้างม้าร้อยมา้า โหต่างกวียนกระบือเป็นอันมากกับเครื่องสัพพวุธใหญ่น้อยกระสุนดินดําพร้อมด้วยได้ลาวเฉลยชะกัน200อทั้งที่ทุพพลภาพป่วยไข้ด้วยร้อยเศษพระองค์เจ้าคุณเนียนมีรับสั่งให้พระนรงสงครามคุมพลไทยแ800รอยู่รักษาค่ายเดิมให้รักษาลาวเฉลย300ร้อไว้ด้วยแล้วพระองค์เจ้าคุณเนีนคุมพลฐานกองอาธมาตห้าร้อยรีบรุดเร่งยกลงมาช่วยทัพไทยกองหน้าซึ่งถูกล้อมไว้ ฝ่ายเจ้านอคําคแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเราเห็นแสงไฟไม่ค่ายของตนขึ้นข้างหลังดังนั้นก็ตกใจรู้ว่าค่ายของตนเป็นอันตรายเสียแก่ข้าศึกใสแล้วด้วยว่ามาหลงร้อมไทยอยู่ข้างนี้จึงเสียค่ายข้างโนนจเจ้าหนอคําคก็เลิกการล้อมไทยถอยหนีล่าทัพกลับมาตั้งรังทัพอยู่ขณะนั้นกรมหมื่นนเรศโยธีกรมหมื่นเสนีบริรักษ์ทั้งสองพระองค์ที่อยู่ในที่ล้อมเหลา่า ทอดพระเนรเห็นกองทัพลาวที่ล้อมนั้นล่าถอยไปจึงเข้าพระไทยชัดว่าชจรอยจะมีกองทัพไทยผู้ใดไปจุดไปเผาไข่าลาวลาวจึงได้ล่าถอยไปจึงตรัสสั่งให้นายทัพนายกองไทยเร่งรีบยกติดตามตีทัพลาวเจ้าหนอคํที่ล่าถอยหนีไปนั้นให้เต็มมือปายเจ้าหนอคาตู้พลางถอยพลางหนีไปพลางเดินทับรุดหนีมาตามทางในป่า ก็พอมาประทับพบกองทัพพระองค์เจ้าคุณเนีนยกมาเป็นทัพกระนาบหลังเจ้าหนคําคเจ้าหนคําคกระทําศึกดุดดังฟองสกุลปักษาชาติอันถูกพายุพัดมาปฎิษฐานตั้งกลิ้งกรอกอยู่ริมก้อนศิลาที่เป็นแง่อันแหลมฝ่ายพระองค์เจ้าคุนเนนต้อนพลทหารให้โหร้องทะรวงฟันยิงแย่งแทงด้วยหอกและหล่าพลหนุนเนื่องกันเข้าโจมตีเป็นทัพกระนาบสังกัดหลังทัพลาวไว้ และข้าฟันลาวตายเป็นอันมากฝ่ายเจ้าหนออกาเห็นเชิงศึกไทยหลักแหลมนักเหลือกำลังจะตั้งต่อสู้หาได้ไหมจึงพาทหารที่ร่วมใจสองร้อยคนเศดก็่าฟันออกจากที่หลอมได้หนีไปในป่าหลายวันถึงค่ายเขาช่องศาลแต่ว่าต้องถูกอาวุธมีดบาดแผลเจ็บป่วยไปหาได้ตายไหมขณะนั้นไพ่พลลาวแตกฉานสั้นเซนหนี เ, นเร้นไปทั่วป่า จะควบคุมกันเข้าก็ไม่ได้ด้วยหานายทัพนายกองจะมาบังคับปกครองไม่ได้แล้วป่ายกองทัพไทยทั้งหลายไล่พิฆาตฆ่าฟันแทงราวล้มตายเป็นอันมากจบลายตายซ้อนซับทับกันเต็มไปทั้งป่านายทัพนายกองไทยเก็บได้เครื่องศาสตรวุธต่างๆไว้ได้ทุกอย่างจับได้ช้างใหญ่ได้ขนาดพลาย49เ้าเชือกช้างพัง41เชือกช้างเล็กไม่ถึงขนาดรวมทั้งพลายพังด้วยเป็น174เจ็่เชือก มาามอยสี่สิบกมาโคกระบือห0ร้อยสเบียงอาหารพร้อมบริบูรณ์เจ้าหนอกคำแม่ทัพใหญ่หนีไปกับทหารร่วมใจ200สองร้อยเศษไปถึงค่ายเขาสารทหารไทยหาจับได้ไม่อ๋อนามสยามยุทธตอนที่สี่ทัพกรุงเทพเปิดศึกทัพเปล่าเวียงจันสํากลังเข้มงวดมาทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป